อในเมตตาสูตรนะครับในกุทกานิกายกุทกากปาถาเนี่ยผมชอบข้อความตรงนี้ครับและรู้สึกว่าท่านอาจารย์ก็ชอบด้วยนะที่ชอบก็เพราะว่าเราสวดมน์นะสวดมน์พุทธคุณสังฆคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยครับเราได้ยินคําว่าอุชุอุชุอยู่เรื่อยอุจุสุปฏิปันโนอะไรเนี่ยนะฮะเราได้ยินอยู่เรื่อยว่าปฏิบัติตรงปฏิบัติตรงเนี่ยนะแล้วท่านขยายผมชอบอะตอนที่ในอ่า อ, อัธกถานี้ขยายออกมานะครับวัดตรงคืออุชุเพราะทำด้วยความไม่อวดดีชื่อวัดตรงดีเพราะไม่มีมายาชื่อวัดตรงเพราะละความคดทางกายและวาจาชื่อวัดตรงเพราะไม่อวดคุณที่ไม่มีจริงชื่อวัดตรงดี เพราะไม่อดกลั้นอลาบที่เกิดเพราะคุณที่ไม่มีจริงนี่เป็นเรื่องของอสังขารตนะนะครับเป็นพระอริยสงฆ์ที่เราเวลาเราสวดมนต์เนี่ยนะพออุชุสุปฏิปโนนี่นะเราให้นึกถึงว่าคำว่าอุชุเนี่ยเป็นอย่างนี้เนี่ยนะท่านอาจารย์บอกว่าแม่ชอบสูตรนี้มานานแล้วถึงกับว่าท่องจําไปเลยอะ่ะ อันนี้อันนี้เป็นไงท่านลองวิจารณ์ให้ดูหน่อยทีครับนะว่าที่จริงคําว่าอุโชที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยเป็นข้อความจากกรณียเมตทศสูตรนะกรณียเมตทสูตรนั้นมีกล่าวในพระไตรปิฎกอยู่สองแห่งด้วยกันคือในคุถะนิกายคุถะปาถะแห่งหนึ่งและก็ในคุถะนิกายสุตตานิบาตอีกแห่งหนึ่งมีอยู่สองแห่งซึ่งข้อความนั้นทุกท่าน ถ้าใครเคยไปฟังเขาสวดมงคลนะในงานมงคลต่างๆจะได้ยินบ่อยๆในที่บทว่าการณียมัทธกุสเลนะยันตังสันตังปะทางอภิสเมเจะนะสกอุชุจะ ส, ส, สมุชุจะสุวัจโจจะสมาตุอนาติมานีนะอุชุจะสหุชุจะสุวจัจโจจะสมาตุอนาติมานีคุณธรรมเหล่านี้เป็นคุณธรรมประเภทศีลกุศลนั่นเองอะนะ เป็นประเภทศีลกุศล์นั้นคุณสมบัติของผู้ที่ประพฤติ ด, ดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยนั้นจะต้องเป็นผู้ที่กุศลศีลต้องมั่นคงดีฉนั้นผู้ที่มีกุศลศีลดีที่พระองค์ได้ทรงสแสดงว่าในสูตรนี้นะคือก่อนที่พระองค์จะตรัสมีเรื่องอยู่ว่ามีพิสุกกลุ่มหนึ่งไปบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในป่าแห่งหนึ่ง ในขณะที่ไปบําเพ็ญสมณะธรรมพวกอะมนุษย์ที่อยู่ในป่าก็คิดว่าเอ๊ะที่สู่กลุ่มนี้คงอยู่ไม่กี่วันเดี๋ยวท่าน ก, ก็จากไปทีนี้ด้วยมารของเทพนั้นก็อยู่บนต้นไม้นะที่เรียกว่ารุขเทวดาเวลาพระที่ท่านมีศีลมีธรรมอยู่ข้างล่างท่านก็เดือดร้อนก็ต้องเอาลูกอาลานเนี่ยมาอยู่ข้างล่างเอ๊ะพระไม่ยอมไปสักทีไหมก็ชีวิตชักไม่สนุกและเทวดานีนก็เดือดร้อนอ่ะ ก็เลยทําวิธีจะไล่พระก็คือทําเป็นผีหลอกเขาเรียกว่าผีหลอกกันนะบางผู้ก็ทําให้กลิ่นเหม็นฉันอาหารก็ไม่ได้ที่ก็ทําให้เป็นโรคผอมเหลืองสุขภาพไม่ดีแต่ก็อยู่ตรงนั้นกุศลเจริญดีแต่ว่าความผาสุกไม่ค่อยมีมากนะทีนี้อยู่กันนอนอยู่กันระยะหนึ่งเสร็จแล้วก็เอ๊ะพระสังกัฏระซึ่งเป็นเจ้าหมูนะ่คณะนี่ก็ดู ทั้งหมดนี้ทําไมพร้อมกันเหลือกเกินะหาความเจริญไม่ได้แม้งกลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากันเถอะก็ชวนกันออกไปไม่บอกโยมสักคำหนึ่งนะีพระเป็นร้อยๆนะจากที่ตรงนั้นตายโดยไม่ลายยมสักคนเดียวเลยก็ไปกลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็เล่าความเป็นไปนั้นให้ฟังอ่าทีนี้พระองค์ก็ตรวจดูว่าที่ไหนมั่งจะเป็นสั ป, ปายะแก่ภิกษุกลุ่มนี้ องบอกว่ามีที่นั่นที่เดียวอตอนนั้นพระองค์ให้กรรมฐานแล้วแต่ยังไม่เรียกว่ายังไม่มีอาวุธพระพง์องค์ก็เลยทรงแสดงธรรมนะเอาภาพประิษต์นี้หรือเอาพระสูตรนี้ไปสาธยายนะวันละหลายรอบนะวันบางทีก็ได้เวลาก็ร่วมกันสาธยายพระสูตรนี้ด้วยนะซึ่งพระสูตรนั้นเราก็เคยได้ยินกันก็คือมีใจความว่ากุลบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์นะ ปรารถนาเพื่อจะตรัสรู้สันตบทพึงบำเพ็ญไตรสิกขากุลบดนั้นพึงเป็นผู้อาถฐานเป็นผู้ตรงซื่อตรงเนีน่ยนะชุจะสุหอชุจะสวะโจจะสะมุทุอนาติมานีว่ากันตรงซื่อตรงว่าง่ายอ่อนโยนไม่เย่อหยิ่งสันโดษ เลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายมีกิจน้อยมีความประพฤติเบามีอินทรีย์อันสงบแล้วมีปัญญาเครื่องรักษาตนไม่ขนองไม่พัวพันในสกุลทั้งหลายนะและไม่พึงประพฤติทุจริตเล็กน้อยอะไรอะไรซึ่งเป็นเหตุให้ท่านผู้รู้เราอื่นติเตียนได้อันนั้นหลอกลวงมนุษย์ด้วยการนี้ดูจะไม่ยากนะักใช่ไหมแสดงกิริยาอาการอย่างใดอย่างหนึ่งปั๊บมนุษย์ด้วยกันก็ ถ้าตาไม่ถึงจริงๆก็มองไม่ออกแต่เทนี้อนมนุษย์อ่ะถ้าไม่มีคุณธรรมระดับนี้เนี่ยหลอกอนมนุษย์ไม่ได้ใช่ใจคดเป็นอย่างไรเพราะอนมนุษย์หรือพวกอนมนุษย์หรือผีทั้งหลายเขารู้วราระจิตใช่หใครคิดอะไรเนี่ยตั้งความปรารถนาดีตั้งความปรารถนาไม่ดีอย่างไรอนมนุษย์ทั้งหลายรู้พระทงท ก, ก็เลยเสรรอนธรรมะบทนี้ไปให้พิสู่เหล่านั้นเป็นผู้ที่ตรงซื่อตรงและมีคุณธรรมจริงๆ ศีลและสังวรของท่านก็ดีขันคุณสมบัติที่ว่าไปทั้งหมดก็คือศีลกุศลนั่นเองอเมื่อศีลกุศลท่านมั่นคงแล้วก็พึงเจริญเมตตาในสัตว์ทั้งหลายว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความกเกษมมีตนถึงความสุขเถิดสัตว์อื่นไม่พึงข่มขู่สัตว์อื่นไม่พึงโดมิเนตเขาในที่ไหนไหนไม่พึงปรารถนาทุกข์ให้แก่กันและกัน เพราะความโกรธเพราะความเครียดแค้นมาตายะฐานิยังปุตังอายุซาเอกปุตตมะนุรักเเคเอวัมปิสัพพูเตโสนะมารดาถนอมบุตรคนเดียวผู้เกิดในตนแม้ด้วยการยอมสละชีวิตได้ฉันใดกุลบตรผู้ฉลาดในประโยชน์เนี่ยพึงมีเมตามีในใจไม่มีประมาณในสัตว์ทั้งปวงแม้ฉันนั้น กุลบุตนั้นนะพึงเจริญเมตตามีในใจไม่มีประมาณไปในโลกทั้งสิ้นทั้งเบื้องบนเบื้องต่าเบื้องขวางไม่คับแคบไม่มีเวรไม่มีศัตรูและกุลบุตรผู้เจริญเมตตานั้น น, นนะในอิริยาบถ ท, ทั้งสี่เลยไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนตราสจากความหลับมั้งตราสจากความง่วงเหงาเพียงใดก็พึงตั้งจิตนี้เอาไว้ให้ดีพะฉะนั้นการเจริญเมตตาอย่างนี้แล้วก็ เพรความตอนท้ายๆของสูตรกล่าวว่าไม่เข้าไปอาศัยทิฏฐิเป็นผู้ไม่อาศัยทิฏฐิและก็ถึงพร้อมด้วยทัศนะนําความยินดีในกามทั้งหลายออกได้แล้วย่อมไม่ถึงความนอนในครมอีกโดยแท้แหลอขันตอนสุดท้ายท่านก็ตรัสถึงวิปัสสนาว่าไม่เข้าไปอาศัยทิฏฐินะถ้าทิฏฐิอาศัยจะเป็นอย่างไงนะก็สําคัญเมตตาโดยความเป็น เป็นอัตตานะเห็นว่าเราเนี่ยมีเมตตาหรือก็ได้ว่าตนเนี้มีเมตตาอัเมเนตานั้นเป็นขันไหมเป็นเป็นสังขารขันขณะเห็นเมตตาโดยความเป็นอัตตานั่นแหละหรือว่าเห็นอัตตาเนี่ยมีเมตตามเมตานี้อยู่ในอัตตาถ้าเป็นลักษณะนั้นะไม่เข้าไปมีทิฏฐิแบบนั้นแต่พิจารณาว่าแม้แต่เมตตาก็เป็น สังขารขันนะนะเ ม, มตานี้มีเวทนาเกิดร่วมไหมเวทนาที่เกิดร่วมกับเมตาก็เป็นเวทนาขันเมตตาเกิดร่วมกับเวทนาแบบไหนบ้างนะเ ม, มตานั้นจะเกิดร่วมกับเวทนาสองอย่างเท่านั้นคือสมณัตกับอุเบกขาเวทนาคือถ้าผู้ใดเจอเมตตาแล้วผู้นั้นจะรู้บางครั้งเราก็เจริญเมตตาด้วยอุเบกขาจริงจเช่นค่ะ พันก็รู้สึกจะมากกว่าโสมนัสด้วยซ้ำเลยถ้าหากว่าเมตตาเกิดจริงๆมากๆต่อเนื่องระดับหนึ่งปีติจะเกิดด้วยแั้นถ้าปีติเกิดขึ้นปับ๊บขณะนั้นก็เป็นโสมนัสเวทนานั่นแหละถ้าหากว่ามันเจริญเมตตาแต่ก็มันแห้งแรงหน้าดูเลยนะเขาเรียกว่าขาดปีติไปนั่นแหะแต่ก็เป็นเมตตาก็กล่าวไม่ได้กล่าวว่าเมตตาไม่เกิด แต่ถึงเป็นอุเบกขาก็ควรเจริญมันจะเป็นอุเบกขาเป็นสมมานัต ก, ก็เจริญไปเธอขอให้เป็นกุศลนั่นแหละถ้ากุศลละจิตเหล่านี้เกิดบ่อยๆเข้าก็พิจารณากุศลว่าอ๋อ น, นะเมื่ออัพยาปาทะคือนะความไม่โกรธมีอยู่ณนะภายในจิตก็รู้ชัดอิกนั่นแหละนะพวกนี้ก็เกิดด้วยปัจจัยใช่ไหมเมตตาเกิดด้วยปจยัปจจัยปัจจัยของเมตตามีอะไรบ้างนะ เมตาก็คืออาศัยกัลยาณมิตรเนี่ยข้อหนึ่งก็เป็นเหตุให้เกิดเมตตาทิสุทั้งหลายเหล่านั้นท่านก็ได้กัลยาณมิตรคือพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้แสดงเรื่องเมตตานี่เป็นอุปนิสัยให้ท่านเกิดเมตตาหนึ่งซึ่งมีกัลยาณมิตรเป็นภายนอกและในขณะเดียวกันเนี่ยท่านมีโยนิโสในในเรื่องของเมตตาเพราะจิตของท่านน้อมไปเพื่อที่จะให้เกิดเมตตา ท่านปาโรคบ่อยๆท่านมีการทั้งสวดทั้งสาธยายทั้งตรึกทั้งคิดก็บอกว่าเว้นไว้แต่หลับในสูตรบอกว่าปราศจากความเน่วงเหงาเพียงใดก็พิ่งตั้งสติอันนี้คือเมตตาอันนี้ไว้ตลอดเพียงนั้นแหละนั่นแหละอันผู้ที่เจริญเมตตาเกิดเมตตากุศลจิตเกิดบ่อยๆนะโอ้มีปัสนานี่นะเทที่ว่ายากยากนี่กลับไม่ยากในเรื่องขันธ์ธาตุยตนะเรื่องอริยศาสเรื่องอะไรก็ตามถ้ากุศลจิตเกิดบ่อยๆนะ เรื่องราวเหล่านี้ไม่ยากเลยอันนันคล้ายๆกับคนมือสั่นนะร้อยเข็มเนี่ยร้อยไม่ไปถูกอะ่ะหรือไปทํางานละเอียดละเอียดนะยังไงก็ไม่ได้แก้เนี่ยแก้ปัญหาแก้นั้นแก้อย่างไรนะก็คือถ้ามือไม่สั่นเมื่อไหร่ปั๊บนะอ ง, งานละเอียดละเอียดนี่ก็ไม่ยากละจิตก็เหมือนกันในการพิจารณา ประมาต ธ, ธรรมหรือพิจารณาสภาวะธรรมเรื่องขันธ์ธาตุอายตนะเป็นต้นถ้าจิตสงบนะด้วยกุศลธรรมระดับหนึ่งนะสงบไปกับเมตตาที่เรียกว่าภาวนาหรือเป็นสมถะอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเมตตาล ะ, ะร่วงของขันธ์ธาตุอายตนะก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากเย็นแม้แต่หลายท่านที่เคยฟังมาก็คือท่านบอกว่าท่านความจําท่านไม่ค่อยดีนะ แต่ท่านเจริญปุศตรจิตบ่อยๆเนี่ยความจําพัฒนาขึ้นความจําเนี่ยดีขึ้นมากนะผู้ที่เรียกว่ามักเครียดนิสัยชอบโกรธเนี่ยนะถ้าช่วยความจําให้จําแม่นขึ้นนะไม่ยากเจริญเมตตามากๆอมีสูตรหนึ่งนะพระผู้มีมพรามณ์ไปถามพระพุทธเจ้าว่าทําไมมนที่ที่จําได้แล้วก็ลืมนะหรือว่าไอ้ที่ท่องจะให้มันเกิดก็เกิดยากเหลือเกินอย่างเงี้ย ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรบอกว่าเพราะนิวรมันกลุ่มรวมมาผู้ที่ถูกนิวรถ้ากลุ่มรุมเป็นต้นนะความยำไ ม, ม่ค่อยดีอ่ะพราฉะนั้นถ้ากุศลจิตเกิดบ่อยๆนะยิ่งกุศลประเภทภาวนาเนี่ยจะสงบระงับจากนิวรกุศลประเภทเมตตาเป็นต้นก็คือภาวนาเป็นประเภทโคจรสัมปชัญญะจะเจริญบ่อยๆปั๊บนะแล้วเจริญภาวนาเหล่านี้นะเมตตาจิตเกิดบ่อยๆจะกลับไปหาอุชุ นะเพราะอุชุคือเมื่อกี้บอกว่าเป็นลักขณูปนิสัง น, นะผู้ที่มีอุชุจริงๆก็คือนะมองเห็นโดยความเป็นสัตว์แต่เป็นสุขีตศสัตนะถ้าใช้คำว่าสุขีตรรัสัตปั๊บเป็นจิตชนิดไหนที่มีสุขีตรรัสรัตเป็นอารมณ์เ ม, เมตาก็จะเกิดขึ้นอนะไรท่านเรียกว่าตรงนั้นเป็นอุชุนะแล้วสุโหชุนี่เป็นยังไงกระวัซื้อตรงหรือตรงดีเนี่ย ตรงดีก็คือตรงโดยความเป็นว่าสุขีตาสัตว์นั้นนะเหมือนกับคำว่ารถะนะเพราะอาศัยวัตถุหลายๆอย่างมารวมๆกันเลยเรียกว่าว่ารถชันได้อาศัยอวัยวะน้อยใหญ่ประชุมกันก็เลยเรียกว่าว่าคนถ้าผู้ที่มีสุขูชุซื้อตรงจริงๆเนี่ยจะยังถึงว่าที่บัญญัติว่าสัตว์นั้นก็เป็นที่ประชุมของขันห้านะก็บอกว่า ปลอภัยนะในคำพี์ท่านว่างั้นแหละเขาบอกว่าอาศัยนิ้วหลายๆเอามารวมๆกันเรียกกันปั้นนะแต่พระแยกมีไหมนะ mm hmm. เมืองก็เหมือนการอาศัยทรัพย์สมภาระหลายๆอย่างมารวมๆกันเขาเรียกว่าเมืองที่เรียกว่าสัตว์ว่าคนก็เหมือนกันอาศัยนะถ้าส่วนที่เป็นโรค ป, ประคันนะอาศัยผมคนเล็บฟันหนังเนื้อมารวมๆกันเรียกว่าเรียกว่าคนนั่นแหละทีนี้เป็นหรือตาก็าอาศัยอะไรอาศัยชีวิต อาศัยอายุก็คือชีวิตไออุ่นนั่นแหละก็อาศัยวิญญาณเป็นไปประชุมพร้อมการเข้าถ้ามีชีวิตอายุไออุ่อน3ประการนี้ชีวิตก็ยังเป็นไปแล้วชีวิตเกิดด้วยตั้งใจเท่าไหร่นะชีวิตนี้น้อยนะทำไมจึงน้อยเพราะชีวิตนี้มีกิจน้อยมากชีวิตนี้ที่อยู่น้อยเพราะชีวิตเนื่องด้วยมหาภูติโรคเป็นต้นนะที่เคยกล่าวไปแล้วนั่นแหละผู้สา ม, มารถที่จะพิจารณาความจริงเหล่านี้เป็น สู่หูชูต่ตอไปได้นหละจะเห็นว่าแทบทุกสูตรเลยนะครับจนถน่านพระองค์จะมุ่งหมายลงไปสูงสุดทุกทีเลยนะแม้แต่สูตรนี้นะครับจก็ลงท้ายด้วยการเจริญ น, น, น, นิพพสนาบรรลุมรรคผลเลยนหละเพราะว่าในในสูตรนี้ถ้าเป็นองค์คุณของพระหูสูตรในในคัมภีร์ท่านกล่าวว่าองค์ของพระหูสูตรนั้นมีการพิจารณาในะที่ที่กล่าวใน มหาโคสิงคาลกัสูดนะที่พระสูตรว่าด้วยพระนนท์กล่าวว่าตากโคสิงฆ่าสารวันเนี่ยจะพึงงามด้วยภิกษุชนิดใดพระนนก็บอกว่าภิกษุรูปนั้นต้องเป็นผู้โสูตรเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากสังสมสุตะนะสังสมสุตตะเนี่ยแล้วก็เป็นผู้ที่ว่าพูดในเรื่องสุตตะคล่องแล้วก็มีการพิจารณาสุตตะ ตามเพ่งด้วยใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฐิตรงนั้นท่านก็อธิบายว่าเพราะผู้ที่เป็นพหูสูตรเนี่ยสามารถอย่างนั้นเนี่ยสามารถที่จะกล่าวทำในบริษัทได้แล้วของท่านเองท่านก็มาพิจารณาว่าธรรมะมวลนี้เป็นศีลธรรมะมวลนี้เป็นสมถ ะ, ะธรรมะมวลนี้เป็นวิปัสสนาศีลจะพึงบริบูรณ์ด้วยประการอย่างนี้สมาธิจะบริบูรณ์ด้วยประการอย่างนี้วิปัสสนาจะบริบูรณ์ด้วยประการอย่างนี้ท่านก็จะมองออกอย่างตลอดสาย ท่านก็จะปฏิบัติตามธรรมะเหล่านั้นสมควรแก่ธรรมะหมวดนั้นนะปฏิบัติธรรมนั้นเพื่อสมควรแก่โลกุตระธรรมปฏิบัติธรรมนั้นเพื่อสมควรแก่ธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าอะไรก็สามารถที่จะปฏิบัติได้ท่าพระธรรมแต่ละหมวดแต่ละหมวดถ้าเราสามารถสงเคราะห์ลงชีวิตของเราได้แล้วก็เป็นเป็นความรู้อีกอย่างหนึ่งซึ่งมีความจําเป็นกับชีวิตมากมายมหาศาล น, นะผมเมื่อกี้ได้ฟังว่าพระภิกษุหมู่นี้เนี่ยเวลาเจริญเมตตานี่นะตรงท่านเจริญจริงจังนะท่านเจริญกันไม่ใช่ประเดียวประดาไม่ใช่แค่สวดใช่ไหมครับเจริญกันทั้งคืนทั้งวันติดต่อกันอาชีพเป็ น, นอะไรที่เรียกว่าสายอาชีพอะไรกันเนี <c oughs> พวกเราคาราวาสลองสักสิบนาทีนะคืนนี้น่ะลองดูที่ว่าได้ไหมฟุ้ง <สา S 1> ออกไปไหมฟุ้งซ่านออกไป <สา S 1> ไหมคิดเรื่องราวออกไปไหม บอกว่ขนาดเจริญกุศลมันยังฟุ้งเลยนะปกติมันจะฟุ้งขนาดไหนมั้งไหม <laughs> ขนาดที่อ่านาีก็ยังดีนะยังดีะเพราะถ้าไม่เจริญแล้วถ้าไม่กุศลธรรมเหล่านี้มันอยู่ที่การฝึกนะกุศลธรรมทุกอย่างเลยแม้แต่จะอดข้าวเย็นจนผนิจใจเลยนะเราฝึกหลายปีมึง น, นะกว่าจะเลิกหิวเนี่ยไม่งั้นเนี่ยโอ้ยเย็นๆนะหิวละ่นแพออยู่ไปนานๆเข้าเนี่ยเขาทานกันหน้าก็กกไม่หิวไม่รู้สึกอยากเลยนั่นแหละ อะไรก็ตามถ้าเราได้รับการฝึกนะสิ่งนั้นนั้นจะไม่ยากเลยพระพุทธเจ้าเป็นปุริสธรรมสารถินะเป็นผู้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่านะเป็นเขาเรียกว่าถ้าเป็นช้างมา้าพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนกับนายหัตถาอาจารย์นะก็คืออาจารย์ผู้ฝึกช้างอัศาจารย์ก็คืออาจารย์ผู้ฝึกมา้าพระพุทธเจ้าก็เป็นอาจารย์ผู้ฝึก ศาสร์ทั้งหลายนะของเราก็คำสอนมีกล่าวไว้แล้วเราจะให้ท่านฝึกไหม <c oughs> กล่าวถึงกาลยานามิตรว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นเหมือนกับกาลยานามิตรที่ประเสริฐสูงสุดนั่นแหละที่จะช่วยเกือ้อกูลอนุเคราะห์สงเคราะห์พวกเราทั้งหลายให้เข้าถึงประโยชน์นะถึงประโยชน์ถึงความสุขถ้าทำคำสอนของท่านก็เป็นไปกับประโยชน์และความสุข แต่ขอยกข้อความในเมคิยสูตรนะข้อความก็กล่าวถึงเรื่องเกี่ยวกับกาลยานมิตรเหมือนกันครั้งที่แล้วก็กล่าวถึงข้อความในทุติยเสขาสูตรในคุถกรนิกายอิติวุตกะนะวันนี้ก็มาเป็นคำภีอุทานบ้างในเล่ม44ครั้งที่แล้วเอาเล่ม45มาแลนะเนื้อความนั้นคล้ายคลึงกันมากเพราะ ว, าว่าวิธีท่านอธิบายก็ยกเอาตรงนี้ไปอธิบายตรงนั้นบ้าง ยกเอาตรงนั้นมาที่บายตรงนี้บ้างคล้ายคลึงกันคมภีร์นี้เป็นคำภีร์ที่พระผู้มีพระภาคนั้นทรงอุทานด้วยโสมนัสยานและเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นพระองค์กล่าวธรรมหรือพิจารณาธรรมะหมวดใดหมวดหนึ่งขึ้นพระองค์ก็จะเปล่งอุทานมาด้วยโสมนัสโสมนัสยานที่ประกอบไปด้วยปัญญาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยูนะจาลิกะบรรพธ ใกล้เมืองจาลิกาก็สมัยนั้นแลท่านพระเมขิยะเป็นอุปถากพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้งนั้นแลท่านพระเมขิยะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้งแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ปรารถนาจะเข้าไปบิณฑบาตในชันตุคาม คือพระผู้มีพระภาคนั้นในช่วงนี้แสดงว่าเป็น20พรรษาเบื้องต้นเพราะว่าในช่วงนั้นไม่มีอุปถักตเป็นประจำบางครั้งก็มีท่านท่านนาคิตะบ้างบางครั้งท่านนาคาสมาละบ้างบางครั้งท่านทัสสุนขัขขะตะ บ, บ้างนะบางครั้งท่านสมมเณีจุนทะบ้างคอยอุปถากพระผู้มีพระภาคครั้งนี้เป็นช่วงทพพระเมขยะไปอุปถักตก็ไปขออนุญาตพระผู้มีพระภาคเพื่อเข้าไปบิทบาท พระผูมีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนเมคยะเธอจงสําคัญเวลาอันสมควรณบัดนี้เถิดครั้งนั้นเป็นเวลาเช้าท่านพระเมคยะนุ่งแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปยังชันตุคามเพื่อบินธบาติครั้นที่เยวไปในชันตุคามเพื่อบินธบาติแล้วกลับจากบินธบาติในเวลาปัจฉาพัทเข้าไปยังฝั่งแม่น้ํากิมิกาลาครั้นแล้วเดินพักผ่อนอยู่ที่ฝั่งแม่น้ํากิมิกาลา ได้เห็นป่ามะม่วงอันน่าเลื่อมใสน่าเรื่นรมครั้นแล้วท่านก็คิดว่าป่ามะม่วงนี้น่าเลื่อมใสน่าเรื่อน ร, อรมจริงหนอป่ามะม่วงนี้สมควรแก่ความเพียรของกุลบุตรผู้มีความต้องการด้วยความเพียรจริงหนอถ้าว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพึงทรงอนุญาตเราไซาเราพึงมาสู่ป่าอันพวันนี้เพื่อบำเพ็ญเพียร น, นะเ อ, อยากมาอยู่ มาอยู่ป่ามะม่วงนี่นะถ้าพระองค์อนุญาตเนี่ยมาพักอยู่ถ้าสมัยนี้แม่ถ้าอาจารย์อนุญาตนัมาการกดอยู่ที่นี่แน่เลยลำดับนั้นท่านพระเมขียะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาสเวลาเช้าข้าพระองค์นุ่งแล้วถือบาทและจีบอลเข้าไปยังเข้าไปบินทบาทยังชันตุคาม ครั้นเที่ยวไปเบนทบาทในชันตุคามแล้วกลับจากเินทบาทในเวลาปัจฉาพักข้าไปยังฝั่งแม่น้ํากิมิกาลาครั้นแล้วเดินพักผ่อนอยู่ที่ฝั่งแม่น้ํากิมิกาลาได้เห็นอัมพวันหน้าเลื่อมใสหน้ารื่นรมจึงได้คิดว่าอัมพวันนี้หน้าเลื่อมใสอัมพะนี้แปลว่ามะม่วงวั น, นะแ ป, ปนนนนแปลว่าป่าวันเนี่ยวันเนี่ยแปลว่าป่าอนะ ไม่ใช่วันคืนนะแต่ว่าอัมพวันเนี่ยถ้าตรงไหนมีคําว่าวันอยู่ด้วยก็คือวันนะนั่นเองอัมพวันนี้น่าเลื่อมสายน่ารื่นรมจริงหนออัมพวันนี้สมควรเพื่อบําเพ็ญเพียรของกุลบุตรผู้มีความต้องการด้วยความเพียรจริงหนอะถ้าว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพึงทรงอนุญาตเราใชเราพึงมาสู่อัมพวันนี้เพื่อบําเพ็ญเพียรข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ ถ้าว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตข้าพระองค์สายข้าพระองค์พึงไปสู่อัมพวันเพื่อบําเพ็ญเพียรเมื่อท่านพระเมขียะกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนเมขียะจงรอก่อนเราจะอยู่แต่ผู้เดียวจนกว่าพิสูุรูปอื่นจะมาอะไรรอสักพักหนึ่งมีพิสูุรูปอื่นมาค่อยไปกันแล้วกันแม้ครั้งที่สองท่านพระเมขียะก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่มีกิจอะไรอะไรที่จะพึงทำให้ยิ่งหรือไม่มีการสังสมอริยมัคที่พระองค์ทำแล้วแต่ข้าพระองค์ยังมีกิจที่พึงทำให้ยิ่งนะพระองค์ไม่ต้องเจริญกิจแล้วนะปรินยยากิจพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องแล้วตหาณกิจพระองค์ก็ไม่ต้องสัชิ ต, ตภาคิจก็ไม่ต้องสัชชิกิริยาพระองค์ก็ไม่ต้องภาเวตภพระองค์ก็ไม่ต้อง กิจในการบันเพนธรรมะเหล่านี้พระองค์ไม่ต้องสักอย่างเลยแต่ข้าพระองค์นี่ยังนะพระองค์อริยมรรคก่เกิดแล้วข้าพระองค์อริยมรรคก็ยังไม่เกิดเหมืะนั้น